นี่เมื่อเราเราคิดเรื่องไอความรู้ความเห็นเหล่านี้ยตัวที่ขยายวัตตะเมื่อกี้ที่ยกมาถึงเรื่องกรรมสรุปนะกรรมดวงที่หนึ่งอะไรสูตรสูตรการสร้างตาเนะีดวงที่หนึ่งทิฏฐธรรมดวงที่เจ็ดอุปัชชเรร ะ, ะเวทนิยกรรมดวงที่สองถึงดวงที่หกอปราปริยาเวทนิยกรรมทีนี้กรรมเหล่านี้เวลามันให้ผลมันให้ผลยังไงหนึ่ง ชนะ ก, กะนำเกิดคือทําให้เกิดวิบากกรร ม, มชั่โรบสองถ้ามันนําเกิดไม่ได้มันไปอุปถ ร, รมอัน น, นัอุปธรรมทกกรรมถ้ามันอุบไม่อุปธรรมมันก็เบียดเบียนเรียกว่าอุป ป, ปีละกกรรมบางทีมันไปทําตรงกันข้ามคือฆ่าทิ้งซะเลยอุปคาตกรรมทีนี้การที่มันจะนําเกิดมันไปอุปธรรมมันไปฆ่านะก็วัดกันตามอะไร ครุกรรมมีไหมต่อไปอาสันนกรรมอาจินกรรมกตัดตาวาปนกรรมมันก็นี่ก็คือหลักการเขาก็เป็นงี้นี่คือตัวกรรมนะกรรมตัวนี้ภาษาบาลีเรียกว่าภพนั่นแหละเรียกว่าพบพบนั่นแหละเป็นตัดใจจึงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นะก็คือพบตัวนั้นแหละคือกรรมภพบเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทีนี้ตาเนี่ยเมื่อมีตาถ้ากระทบกับสีตามสูตรใช่ไหมเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีตาเพราะฉะนั้นการสร้างสายนี่มันไม่มีจบมีสิ้นเลยนะเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าผู้ใดผู้หนึ่ง เอามะม่วงมาม า, มาทานเนี่ยนะเม็ดหนึ่งก็เอาไปปลูกมันขึ้นแล้วถามว่าปลูกไปกี่เม็ดสมมุตินะถ้าถ้าสูตรเขาจะเป็นอย่างนี้มเมล็ดมะม่วงหนึ่งเม็ดไปเพาะปลูกเมื่อเพาะปลูกเต็มที่เลยเนี่ยก็จะได้ลําต้นที่สวยงาม เมื่อต้นที่สวยงามผลของนี้ก็ทำให้มีผลดกผลดกมะม่วงหนึ่งต้นนะตลอดชีวิตของต้นมะม่วงที่ใช้เม็ดปลูกนะควรจะได้กี่ตันจางวินิตอ่นะยี่สิบตันนะยี่สิบตันเนี่ยนะหารกี่ลูกต่อกิโลอ่นะ 4ี่ห้าลูกต่อกิโลใช่ไหมสี่ห้าลูกต่อกิโลเนี่ยยี่สิบตันเนี่ยควรจะได้กี่ลูกเนี่ยนะามวินาทีอยู่แล้วเก่งคำนวณนะที่ถามว่านี่ยนะอ้าวทำไมมันน้อยจังแค่สองพันเนี่ยนะสองหมืนลูกเองเลย ของของมาว่าถ้าเป็นมะม่วงแก้วนะตระกูลสายมะม่วงแก้วเนี่ยเป็นน่าจะเป็นแสนลูกเนี่ยนะเป็นแสนลูกเลยนะถ้ามะม่วงแก้วมะม่วงอะไรเนี่ยเป็นแสนลูกเพราะปีหนึ่งเนี่ยได้เยอะมากไม่ใช่แบบมะม่วงสมัยใหม่ที่ตอนกิ่งไปปลูกนะนี่พูดถึงมะม่วงปลูกเม็ดหนึ่งต้นเนี่ยได้เป็นแสนลูกแสนลูกนะเอาหนึ่งลูกอ่ะหนึ่งไปปลูกใหม่แล้วก็เมื่อมีต้นแล้วก็มีเก็บไว้แสนหนึ่ง ลักษณะนี้ว่างๆใบล้วงเอาหนึ่งเม็ดในนี่ยมาปลูกใหม่เพราะฉะนั้นไอไ อ, ไอมเลมเล็ดทุกมเมล็ดที่เราเพาะไว้นะพร้อมที่จะพันปลูกขึ้นใหม่หมดเนี่ยนะทุกๆเมล็ดในอดีตนะเป็นเรียกว่าว่างๆไปดึงเอาอันนั้นมาปลูกใหม่อีกก็ได้ บางชาติเนี่ยเอาแต่ของในหนึ่งชาติเนี่ยไปปลูกอยู่นอนโครงการระยะยาวปลูกขึ้นแล้วก็มันก็มีผลทุกชาติทุกชาติอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บไปให้ผลอย่างเงี้ยจนมันวุ่นวายไปหมดไม่รู้ว่าหนอไหนเป็นหนอไหนอันไหนเป็นต้นอันไหนเป็นหลังแล้วชักวุ่นวายไปหมดแต่การเชื่อมโยงของวัดตะมันเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละลูกเลยก็เหมือนกรรมแสนลูกเนี่ยเหมือนกรรมไม่ใช่ว่ า, าพวกนี้สามารถในหนึ่งแสนลูกนําเกิดได้หมดเอาไปปลูกได้หมดเลยก็เป็นไปอย่างเนี้ย ผมถามว่าทํายังไงสมมติอันนี้มะม่วงนะมันจริงแท้มะม่วงมันกินดีอร่อยใช่ไหมแต่นี่มันมะม่วงอะ น, นัะ่นอะมะม่วงมะม่วงคันอะมะม่วงอ่าถ้าเป็นอา่ากลุ่มกลุ่มมะม่วงที่ใกล้ต้นแล้วคันอะจริงจริงนะมะม่วงคันนะกะกลายเนี่ยกลายนี่คันไหมมันมี ต, นต้นต้นต้นไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าคล้ายๆกับต้นเนี่ยมันมันคันจริงๆรินะ ต้นมันรูปแบบคล้ายๆต้นมะม่วงครับต้นน้ำเกลียงอีสานนะอีสานเรียกต้นน้ำเกลีย ง, นนนนยงถ้าดูเพลินๆนะอ้าวใครมาปลูกสวนมะม่วงเต็มไปหมดมันขึ้นเองถ้าดูไม่ดีนะใครปลูกต้นมะม่วงเต็มไปหมดที่ไหนได้น้ำเกลียงหมายเขาว่าเดินเชียวๆหน่อยนะบางคนแพ้เนี่ยคันเลยบางคนเดินเหยียบตอเหยียบอะไรต้นมันนักันหมดเลยกลับ กายนี้ตรงไหนมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความคันเจ็บปวดไม่ต่างอะไรกันเพราะเมล็ดพันธุ์นี้ใช้ไม่ได้แต่ว่าเพาะเม็ดกันไว้เต้เไปหมดเลยอ่ะใช่ก็เวลาปลูกก็ปลูกทีละเม็ดอยู่แล้วแต่ว่าสรุปสรุปว่าแต่ละคนเนี่ยสร้างเหตุเอาไว้เท่าไหร่ในการสร้างวัตถะเนี่ยเมื่อสรุปว่าในอดีตเนี่ยนะมีกันคนละเป็นหลายหายพันโกดังเนี่ยนะ สรวะทุกคนเนี่ยมีเมล็ดของเก่ามาเป็นคนละพันกูดังโกดังละหมื่นตันหรือล้านตันอย่างนี้นแล้วทุกอันปลูกขึ้นหมดเลยถามว่าเมื่อไร่หนอสายพันธุ์อันนี้มันจะจบจะสิ้นเมืม่มอไรดีเนี่ยพันครับเขาเพาะปลูกอยู่อย่างนี้เมื่ อ, อไร่หนอสายพันธุ์อันนี้จึงจะจึงจะดับหรือว่าจึงจะเลิกเพาะเลิกปลูกสักทีหนึง่ง เลยนะน้ำท่วมโอ้น้ำท่ำวมมันลอยไปตามลูกอีกลูกมันตกปับป๊บปั๊บมันก็ลอยไปปลูกขึ้นอีกตออีกอใช่ไหมเขาบอกว่าคุณวิลาวันบอกมียาฉีดนะสเปรย์พ่นเลยสเปรย์พิเศษใช่ไหมพ่นแนละ้วตายเลย ก็บอกว่าวิธีอย่างเดียวนะก็คือเอาเพวกนี้มาคั่วให้หมดเพื่อจะได้เลิกเพาะสัทีหนึ่งมีวิธีเดียวที่จะได้ว่าจะตัดสายพันธุ์อ่ะนะก็ทําลายมเมล็ดพันธุ์ซะทีนี้ถามว่าจะทําลายมเมล็ดพันธุ์อันนี้ยทําลายยังไงสรุปว่าปยรูปสาตรูปนนะเนี่ยนะหกสิบเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งมเมล็ดพันธุ์หมดเลยอะ่ะปีรูปสาตรรูปหกสิบนะคิดถึงตัวไหนเพาะขึ้นหมดเลย เพราะฉะนั้นต้องไปคั่วใน60สบคั่วใน60ิคืออัยตนาภายใน6อัยตนาภายนอก 6, วิญญาณหกภาษะหเวทนาหสัญญาหนะสัญญาหเจตนา 6, ตัณหา 6, วิตตกหวิจารหกทำไมพวกนี้จึงต้องเอามาพิจารณาโดยโตทั้งหลายเนี่ยสิบโตเนี่ยเพราะนั่นคือกรรมวิธีการคั่ว ถามว่าการสาธยายว่าวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะเนี่ยน่าทํำไหมเพราะมันเป็นการคั่วถ้าไม่คิดอย่างนี้จะน่าเพลิดเพลินสักปานใด น, นะนะน่าเพลิดเพลินสักปานใดถ้าไม่เอามาพิจารณาว่านั่นคือวัตถุแห่งชาติชราและมรณะเป็นต้นถ้าไม่เอามาใครครวนมาพิจารณาอย่างละเอียดจริงๆมาเอามาคั่วจริงๆเลยนะเพาะขึ้นหมดเลยเพราะว่าตันหาของเราเนี่ยไปเยื่อใยใน ทั้งอายตนะภายในก็เยื่อใ ย, ายอายตนะภายนอกก็เยื่อใ ย, ยวิญญาณก็เยื่อใ ย, ยภาษะเวทนาสัญญาเจตนาตันหาวิตกวิจารณ์เราชอบหมดเลยติดข้องไปซะหมดเนี่ยนะเพราะจริั้งเอาวัตถุเหล่านี้มามาคั่วมาพิจารณาเนี่ยนะมาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิโรธสัจจะเนี่ยนะเงื่อนไขของนิโรธสัจจะเป็นอย่างนี้ว่า ตัดฉันทราค่าในตาหูจมูกลิ้นกายใจซะตัดฉันทราค่าในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมรมณ์ซะตัดฉันทราค่าในจักรคูวิญญาณโสตขานะเชียวหากายะมโนวิญญาณซะตัดฉันทราค่าในจักรคูสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสเชียวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสซะตัดฉันทราค่าในจักรคูสัมผัสชาเวทนาโสตขานะเชียวหากายะมโนสัมผัสชาเวทนาซะ ตัดชั้นราคะในรูปประสัญญาเป็นต้นซะถ้าตัดอย่างนี้ได้จริงๆตาก็ดับฉันอย่างพาหันลืมตามองเห็นเนี่ยวัตถุใดที่ท่านไม่มีไม่ได้ทําปริญญาไว้ไม่มีท่านได้ยินเสียงไม่มีวัตถุใดที่ท่านไม่ทําปริญญาไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทําปริญญาว่าวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งฉันนราคะท่านตัดชั้นราคะในวัตถุเหล่านั้นเสร็จแล้ว เพราะฉะนั้นท่ า, ารหันคือผู้ที่กําหนดรู้ทุกแล้วก็ละฉันนราคะในาวัตถุเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยนะพันธะความรู้อันนี้เป็นเบื้องต้นอ่ะวิกรรมสกตาอันนี้ต้องแม่นย้ําก่อนอันนี้เป็นความเข้าใจอันนี้นะเป็นกรรมมัศกาศึกษาให้เข้าใจก่อนเนี่ยนะเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องแรกว่าอะไรเป็นอะไรนะพวกพวกนี้อาศัยกรรมสกตาโดยทั่ ว, วไปเนี่ยนะอาศัยการฟังเป็นหลัก ฟังจนเข้าใจอย่างเพียงพอว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมาทำความเข้าใจในชีวิตที่เป็นจริงอย่างอย่างดีเยี่ยมเพราะปัจจัยแห่งกรรมมกตาก็ทั้งสองอย่างหนึ่งปะโตโคสะกับโยนิโสมานสิการะเมื่อใครครวรพิจารณาโดยแยบคายแล้วรู้ว่าไม่มีทางอื่นที่จะออกได้จริงๆนอกจากการเจริญอนุปัสนาเจ็ดนั้นอวิปัสนาตัวนี้หมายถึง อนุปนะัสนาเจ็ดมันการที่จะตัดฉันทราคะในวัตถุทุกวัตถุในอารมณ์ทุกอารมณ์ได้ก็ต้องมีอนุปัสนาเจ็เพราะอนุปัสนาเจ็ดเป็นตัวเป็นตัวคู่หรือเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวที่จะเข้าไปตัดฉันทราคะเนี่ยนะพันต์จะวิปัสนาสัมมาทิฐิตัวนี้เกิดขึ้นทีนี้ไอจะเจริญวิปัสนาอย่างว่าได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะหนึ่งการมาวิตกก็เกิด สองพยาบาทวิตกก็เกิดสามวิหิงสาวิตกก็เกิดแกยังไงอันนี้แหละที่จะต้องแก้ด้วยฌานสัมมาทิฏฐิเคอที่แก้ด้วยฌานคำว่าฌานเนี่ยหมายถึงเช่นเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย น, นะเพื่อที่จะขม่มเช่นถ้าขมกามด้วยอะไรเนขคขมะข่มพยาบาทหรื อ, อหรือวิหิงสาด้วย เมตตาก็คือกลุ่มสองกลุ่มกลุ่มอสุภะกับกลุ่มพรหมวิหารอันนะั้นเป็นกรรมฐานประจำประจำใจเนี่ยนะบริหารกรรมฐานเหล่านี้ไว้เป็นเป็นชีวิตจิตใจบริหารเอาไว้เป็นปกติบริหารเอาไว้เป็นประจำถ้าไม่บริหารไปตามนั้นก็ก็ยากเหมือนกันท่านจะรู้ว่า ฌานสัมมาธิฏฐินั้นจําเป็นมากถ้าไม่เจริญกุศลแธรรมเหล่านี้ไว้เลยนะข่มอกุศลไม่ได้หรอกพฉะนั้นคนที่เจริญฌานนี่เป็นคนที่ละอกุศลวิตกได้เป็นอย่างดีถ้าไม่เจริญฌานนะจิตมันจะพาเราไปคิดอะไรบ้างอ่ะถ้าไม่บริหารด้วยเมตตามไม่บริหารอสุภาพไม่บริหารกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้อยูนะ่เป็นชีวิตจิตใจเลยนะจิตเราจะเป็นยังไงจิตเราจะเป็นไปกับอะไรก็โ อ, อยาก ถ้าพวกก่มฌานสัมมาทิฐิอนุปัสนาไม่เป็นไปนะนึกไม่ออกมันจะออกจากวัตตะได้ยังไงเนี่ยนะจะเป็นไปได้ยังไง เ, เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวสัมมาทิฐิเนี่ยนะที่พระองค์แสดงเป็นมรรคเบื้องต้นเนี่ยจึงจำเป็นมากๆเลยทีนี้ถ้ากล่าวถึงความจำเป็นของ ของมัคคือสัมมาธิฐิที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้เบื้องต้นเนี่ยนะถ้ากล่าวตามอัตถกถาปฏิสัมพิธามัคอุเทสวาระเนี่ยนะที่ยกยานขึ้นเป็นเบื้องแรกที่ยกสัมมาธิฐิเป็นเบื้องแรกเพราะว่าสัมมาธิฐิเป็นเบื้องต้นแห่ง<ม>กุศลทั้งมวลเนี่ยนะ สัมมาทิทินะเบื้องต้นของกุศลเบื้องต้นของพรหมจรรย์ใช่ไหมสัมมาทิทิฏนะพวกนี้เป็นเบื้องต้นของกุศลเบื้องต้นของพรหมจรรย์แล้วก็สัมมาทิทิเนี่ยเป็นตัววินิจฉัยอนนะไรนะ มิจิไสัมมาทิฐิและวินิจฉัยระหว่างมิจฉาทิฐิกับขออภัยนะวินิจฉัยสัมมาทิฐิกับมิจฉาทิฐิถ้าไม่มีสัมมาทิถฐิไม่มีปัญญานะจะรู้อะไรถูกอะไรผิดก็คือสัมมาทิฏฐิเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าทางถูกมิจฉาทิฐิเรียกว่า ทางผิดผิดทางก็ถูกทางนะถ้าไม่มีสัมมาทิฐิเราจะรู้ได้ยังไงว่านี่เป็นการเดินอย่างถูกทางนี่เป็นการเดินที่ผิดทางรู้ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีกรร ม, มสกต า, อาขออภัยถ้าไม่มีสัมมาทิฐิถ้าไม่มีสัมมาทิฐิๆๆแม้แต่มรรคที่เหลือก็ในยะเดียวกันสัมมาสังกปะมิจฉาสังกปะเราจะแยกออกไหมแยกไม่ออกและจะแยกมิจฉาวาจาสัมมาวาจาได้ไหม แยกไม่ได้แยกสัมมากรรมตะมิจฉากรรมตะได้ไหมไม่ได้แยกสัมมาอาชีวามิจฉาอาชีวะได้ไหมก็แยกไม่ได้ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวเนี่ยรู้ไหมว่าเพียงถูกหรือเพียงผิดถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิรู้หรือว่านี้เป็นสัมมาสติมิจฉาสติถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิจักรู้หรือว่านี้เป็นสัมมาสมาธินี้เป็นมิจฉาสมาธิเพราะสัมมาทิฏฐิจึงเป็นเบื้องต้น ที่จะเป็นตัวแยกสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิยังกระจายออกไปอีกใ่ไหมเป็นเป็นอะไรมิจฉาทิฏฐิแยกเป็นย่อยๆก็คือสัตตะอันสัตะทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิตัววิปัสนาตัวสัมมาทิฏฐิยังแยกมาเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยก็แยกว่ากลุ่มสัมมาทิฏฐิเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง กลุ่มมิจฉาทิฐินี่ต่อไปด้วยอะไรบ้างถ้าเป็นอุเฉตและจะต่อด้วยอะไรถ้าเป็นสัสตะทิฐิและจะต่อด้วยอะไรวิบากของสัมมาทิฐิกับมิจฉาทิฐิต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยนะฮะสัมมาทิฐินั้นจึงสําคัญมากๆทีนี้กรรมสกตาสัมมาทิฐิอันนี้เนี่ยถามว่ามันจะเกิดจากอะไรได้ไก็ปะตโตโคสะสุตมยญาณยาคนที่คิดได้เองรู้เรื่องนี้ได้เองคือพระปะเจก กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านโดยมากก็ต้องอาศัยสุตะเนี่ยนะทั้นตัวสัมมาทิฐิเนี่ยนะกรรมสกตาสัมมาทิฐิที่จําเป็นมากๆก็คือสุตะสุตะมยายาญาณเนี่ยนะสุตะมยายาญาณท่านสำคัญมากที่จะมาแยกระหว่างมิจฉาทิฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาเป็นต้นเนี่ยนะที่จะแยกดีแยกชั่วแยกบุญแยกบาปแยกกุศลแยกอกุศลเป็นต้นก็อาศัยสุตะเป็นหลักซึ่ง ในยุคนี้แปลกมากที่ไม่ค่อยชอบฟังเลยมีโยมบางท่านเนี่ยนะเขาบอกเขาไม่ค่อยชอบบัญญัติเลยบัญญัติที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาอยากจะเข้าถึงแต่ปรรมะอย่างยวเพราะฉะนั้นบอกเหอะจะให้เข้าปฏิบัติอะไรมีอะไรปกติเลยแหละถ้ายิ่งมาเรียนแบบนี้ปวดหัวบอกโยมฟังบัญญัติไม่ออกรู้แต่ปรรมิ จะให้ปฏิบัติอย่างเดียวรู้เองนี่นั่งเรียนมาตั้งหลายปีแล้วนยก็บอกอ่านนี่พราะไม่ปฏิบัตินะเนี่ยวางนั้นจึงไม่รู้นี่ถ้าปฏิบัตินะจะหายสงสัยหมดเลยแจมแจ้งแดงแจ้หมดขวา ง, งั้นเลอธิบายไม่ได้ตัด จ, จัดตังรู้ได้เฉพาะตัวเป็นสภาว่า ขอมาอยากให้ถ้าพูดได้จริงๆล้วงออกมามจะเป็นอะไรเนี่ยเหมือนกับอะไรนะล้วงกระเป๋านะบอกนี่มันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยอยู่ในกระเป๋าใช่อันนี้คือคือปัญหามากๆเลยว่าขอมาเนี่ยกรุณากรุณาเป็นอย่างนั้นนะ่ะนะกรุณาว่าพระพุทธเจ้ากับอาจารย์เขาเนี่ย เดินสวนกนนน <c oughs> ันนี่นะเขาบอกปฏิบัติโนึงเาปฏิญาณตมันน่ะอันนี้เอาเอาไว้คุยนอกเวลาอนะ <c oughs> <c oughs> คือถ้าถ้าว่าตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็แสดงธรรมยัย เมื่อแสดงธรรมเสร็จมีผู้รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้รวมเป็นหมวดเป็นหมู่เรียกว่าปริยัติเนี่ยนะอาจารย์ของเขาก็สอนเหมือนกันแต่ผลของที่อาจารย์สอนเนี่ยเป็นปฏิบัติเออเนี่ยเป็นอย่างนี้เขาจะดูว่าเออผลต่อไปนะถ้าทําตามปริยัติอันนี้สองคือ ปกติท่านบอกว่าโลกุตระทมเก้าถ้าปฏิบัติตามนั้นเนี่ยนะควรจะเป็นอะไร <c oughs> เพราะฉะนั้นล้วงอะไรออกมานะล้วงม ah e. เาเถอะอะไรวันก่อนพูดถึงว่าพระเจ้ามหานามะเขาถกกันกับ สักยะอีกองคหนึ่งคือสักยะกับสักยะนะกษัตริ ย, ย์สองกษัตริย์เขาสนธนากันเขาสนทนากันว่านี่นะโสตาปติยังฆ่าธรรมเนี่ยพระเจ้ามหานามาบอกมีสเจ้าอีกคนหนึ่งก็บอกมีสมคนที่มีสมก็คือบอกมั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระเจ้ามหานามาบอกมีสคือมีอริยะกันตศินด้วยเป็นข้อที่4ก็ถกกันก็ไปเล่าถวายพระพุทธเจ้าฟัง เมื่อเล่าถวายพระพุทธเจ้าฟังนะเจ้ามหานามะก็เล่าว่าโสตาปฏิยังฆะธรรมมีสี่ประการ น, นะเขาก็แยกว่าโสตาปฏิยังฆะธรรมนี่มีสี่ประการเมื่อสี่ประการเสร็จเขาบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยได้สดับมาอย่างนั้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วก็สองคนเนี่ยพูดเป็นปฏิปักษ์กันคือพระสงฆ์เนี่ย พูดตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ขออยู่ฝ่ายพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างหนึ่งถ้าภิกษุบางรูปพูดอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์อยู่ฝ่ายพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าพูดอย่างหนึ่งภิกษุณีพูดอย่างหนึ่งข้าพระองค์ขออยู่ฝ่ายพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าพูดอย่างหนึ่งอุบาศกพูดอย่างหนึ่งข้าพระองค์อยู่ฝ่ายพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างหนึ่งอุบาสิกาพูดอย่างหนึ่งข้าพระองค์อยู่ฝ่ายพระพุทธเจ้า ถ้าโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นต้นกลั่ตรพูดอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสอย่างหนึ่งข้าพระ อ, องค์อยู่ฝ่ายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสรุปว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายพระพุทธเจ้าอกจะมีอะไรนอกจากกุศลธรรมนอกจากกัลยาณธรรมทีนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าแบบว่าปฏิเสธไม่ขออยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าขออยู่ร่วมกับบางคนก็พอมากันึกไหม ไม่รู้นะจะเป็นยังไงต่อไปแต่ที่แน่ๆที่น่ากลัวตอนนี้นะถ้าปฏิบัติผิดไม่เป็นไรนะถ้าตกไปอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งแล้วนะโผลมายากสูตรเขามีเป็นอย่างนี้เลยนะชัดเจนเลยว่าคติสองของทิฏฐิเนี่ยนะคติสองของมิจฉาทิฏฐินะคือนรกกับเดรานานแล้วเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่านี่ชันสัมมาทิฏฐินี่ชัน ม, นะ น, ชนมิจฉาทิฏฐิเอาอะไรเป็นไม้ม็ดวัดอ่ะ เอาอะไรเป็นกิโลชั่งอะว่าฉันเป็นสัมมาทิฏฐิฉันเป็นมิจฉาทิฏฐิเอาความเชื่อเขาว่าหรือทําไมจึงเชื่อปานนั้นมเหตุผลอะไรเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ต้องอธิบายได้ถ้าอาธิบายไม่ได้นะก็สุดแท้แต่บุญแต่บาปเถอะมันกันก็เห็นมันแล้วครับประเภทที่เรียกว่ายึดสภาวะเป็นหลักปรมาติเป็นหลักเป็นใหญ่เนี่ยก็ เชื่อตามมาจามเหมือนกันเถอะแล้วก็ปฏิบัติโดยที่ปริยัติก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ปฏิบัติมา20ปี30ปีบ่โอ้โหทางตานี่ปร ะ, ประมัดชัดเจนมากเลยแต่อธิบายไม่ได้ว่ามันชัดเจนยังไงว่ามันคืออะไรอธิบายไม่ได้อาจจะพูดคำสองคำว่าเออมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วก็จบนี่มีแล้วนะ ก็คําสอนของพระพุทธเจ้าสรุปว่าเปิดเผยได้หรือไม่ก็เลยไม่รู้ปฏิบัติหรืออธิบายคนอื่นปฏิบัติก็ใหปฏิบัติเลยเหมือนกันไม่ต้องมีปริยัติก็ตรงนี้ที่ในในยุคนี้นะก็ก็เป็นอย่างนี้จริงๆขอมาไม่ก็ไม่ค่อยแปลกใจและ ว, ว่ามันก็เป็นอย่างนี้มานานละแต่ก็พูดไปงั้นแหละ ว, ว่าว่ายุคนี้เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นคือคนที่ห่าง สัมมาทิฏฐิที่ ท, ท, ที่เป็นเรียกว่ากรรมมัสกตาสัมมาทิฏฐิมากถ้าระหว่างพระพุทธเจ้าตรัสกับบุคคลอื่นพูดไม่รู้เขาจะเอาฝ่ายใดหรือแต่ว่าคนสมัยใหม่นะเขาก็ใจกว้างมากนะอันนี้ก็ถูกนะอันนั้นก็ไม่เลวอันนี้ก็ใช้ได้ก็เลยก็บอกว่าศาสนาทุกศ า, าสนาสอนดีหมดพระพุทธเจ้ากับบุคคลอื่นไม่มีความต่างกัน น, นะพระพุทธเจ้ากับศาสตาอื่นๆทั่วไปไม่มีความต่างกัน น, นะเขาเขาเขาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะดีจริงอะไรสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเรียกว่าพุทธศาสนิกชนหมิ่นผู้อื่นด้วยซ้ําว่าผู้ที่ตานึกถึงพระพุทธเจ้ามากๆเนี่ยเป็นคนที่น่าตําหนิหรือตําหนิคนที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้ามากอันนี้ยุคนี้เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนะเ น, นี่ยมันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะห่างจาก กวรธรรมเป็นอย่างมากนะถ้าอยากรู้จริงก็ไปดูในปาสาธิกะสูตรเนี่ยนะจะรู้กล่าวถึงว่าโทษของของการที่ติดตามผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับการติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต่างกันอย่างไรเนี่ยปาสาธิกะสูตรน่าจะเล่มสิบห้าหรือสิบหกไหมลนะ ถ้าไม่สิบห้าก็สิบหกนะสองเล่มสองสูตรนั้นแยกให้เห็นชัดเลยว่าถ้านับถือศาสดาที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเพราะในยุคนี้คนที่แฝงแฝงในนามพระพุทธเจ้ามีไม่ใช่น้อยนะนะซึ่งเบื้องต้นเนี่เหมือนกันเหมือนอย่างลัทธิต่างประเทศลัทธิสายต่างประเทศนะเขาเข้ามาเผยแพร่ศาสนาของเขาเนี่ยวิธีการเขาคืออย่างนี้เขาก็คือพุทธศาสนา เขาคือผทธศาสนาพอพูดไประยะหนึ่งเขาเขาค่อยๆเบนออกเขาค่อยเบนออกเบนออกเบนออกในที่สุดเนี่ยเขาเป็นของเขาโดยเอกเทศเมื่อสร้างสาวกได้ระดับหนึ่งนะเมื่อสร้างสาวกตัวเองได้ระดับหนึ่งมีคนมาเชื่อถือดิ่งในกลุ่มตัวเองระดับหนึ่งก็เบนออกจากพระรัตนะตรยัยทั้งสายนั้นมาจากญี่ปุ่นและมาจากไต้หวันเนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่ยเาเขาเบนออกเลย เบนออกตอนแรกเนี่ยอ้างพระพุทธเจ้าอ้างพระรัตนาไตรพอไประดับหนึ่งระดับหนึ่งระดับหนึ่งก็ออกจากพระรัตนาไตรโดยที่มีสายของเขาเป็นเป็นหลักเนี่ยนะซึ่งคนไทยก็เชื่อมากนะีนะเชื่อมากเชื่อมากจนจนตัวเองเนี่ยเขวไปนะไม่รู้ว่ า, าศาสดาของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะก็เข้าใจผิด พญามารปอมเป็นพระเจ้าไม่มีใครรู้เลยปอมที่เหมือมากไม่มีใครรู้ว่าเป็นพยามารมาแต่ก่อนนี้ผมฟังเรื่องเรื่องการปฏิบัติเนี่ยหนักไปทางปรมัิเนี่ยแล้วผมมาอ่านตอนนั้นนะฮะผมมาอ่านมารติปัทานสูตรผมอ่านยังไงไม่เข้าใจเอาเลยครับ อ่านยังไงไม่เข้าใจแล้วก็ต้องโยนไปว่าเ อ, อ้อเราปัญญาน้อยอย่างงั้นนะฮะก็ยกไปให้ครูบาอาจารย์แล้ววันนี้ผมมาอ่านมหาสิบฐานสูตรใหม่ผมเข้าใจผมเข้าใจดีเลยฮะแล้วโอ้โหทำไมมันตรงกันข้ามกับกับอย่างนั้นนะแต่เราก็อุตส่าห์ปฏิบัติตามแนวนั้นมาได้ตั้งนานนะแปลงจริงใครลงไปอ่านใหม่เถะครับมหาสิบฐานสูตรนั่นอยู่ในเล่มเนี้เป็นกุลุเนี่ยเนี่ย ซึ่งเล่มที่เราเรียนเกันเนี่ยนะก็กลับไปอ่านเล่ม เ, เรียนๆยนะก็ลงไปอ่านดูใหม่เลยครับเราจะเห็นว่าเออความจริงก็ไม่ก็ทําความเข้าใจได้เลยนะความจริงอ่านเนี่ยนะเพราะว่าเราได้รับคําอธิบายจากพระอาจารย์มาแล้วเนี่ยเราไปอ่านตามแนวนี้หมายว่าถ้าเราตั้งตัวถูกแล้วว่าแนวทางเป็นอย่างนี้นะ ม, มันไม่ใช่เกี่ยวกับไอ้ประมาจักรอย่างนั้นเนี่ย น, นะแล้วมาอ่านหม่นี่นะเราเข้าใจเลยครับกายานุปัสสนานี่เราเข้าใจได้จริงๆ สติปัฏฐานเนี่ยนะถ้าเคร่งครัดในพุทธพจน์เนี่ยนะน่าจะเจริญได้จริงๆ ค, คือคือค่อนข้างว่าอะไรนะไม่รู้จะพูดให้ชัดกว่านี้ได้ยังไงไม่รู้ว่าใครจะพูดสามารถพูดใช้โวหารถ้อยคําเกี่ยวกับการปฏิบัติชัดเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วก็พูดตรงๆอ่ะนะเพียงแต่ว่าขอให้คิดตามแบบตรงๆเถอะคิดตามอย่าเสรกว่าอย่าไปซิกแซกอย่าไปอะไรมากเกินไปเนี่ย ขอทําตามพระพุทธเจ้าแบบพระเจ้ามหานามะเถอะไม่น่าจากักศักเท่าไร่เนี่ยนะพยายามที่จะบอกว่าพระพุทธเจ้าแนะนําอะไรเราพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราพระพุทธเจ้าต้องการอะไรจากเราแล้วเราเนี่ยเห็นด้วยไหมที่พระพุทธเจ้ากล่าวทั้งหมดเนี่ยนะพยายามตั้งไว้อย่างนี้เถอะศึกษาว่าเชื่อเลยว่าสามารถทําที่สุดแห่งทุกได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะเราเนี่ยแหละคือผู้ที่ทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะเราเอาอย่างอื่นที่ไม่ใช่คำสอนมามาที่บายให้เป็นคำสอนมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเราน่าจะหวงแหนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาสี่อสงไขแสนกลับหรืออีกอย่างหนึ่งน่าจะคิดว่าวัดตะของเราเนี่ยถ้าเรายังไม่สามารถทางตลอดโซดาปฏิมคเนี่ยเราเป็นบุคคลที่อันตรายที่สุดสำหรับเราใครจะส่งเราไปนรกได้อ นะใครจะส่งเราไปเกิดเป็นเปรตเดริชานเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปเนี่ยใครคือวัตถุอันตรายที่สุดสําหรับเราก็คือตัวเราเนี่แหละนั้นทํายังไงที่จะทํำยังไงไม่ให้เป็นวัตถุอันตรายอีกต่อไปเนี่ยนะจะลงไปอ่านก้นใหม่ดีครับเนี่ยกายานุปัสสนาเนี่ยผมปรับรองว่าท่านเรียนมาป่ <c oughs> านนี้แล้วเนี่ยจะกลับไปอ่านใหม่เพราะว่าเรามองเห็นโครงสร้างแล้ว เราเห็นวัตถุประสงค์แล้วการเจริญกายานุปัสนาเนี่ยเพื่อให้ไม่วิปลาสในกายไม่เห็นกายว่ามันงามว่ามันเที่ยงเป็นทุกเป็นน้าตาเนี่ยวัตถุประสงค์อยู่ตรงนี้นะว่ามันเป็นอสุภะมันมันมันปฏิกูลอย่างนั้นนะมันอย่างเออมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเรารู้ตามแนวนี้เราไปอ่านใหม่เนะเราเข้าใจเลยแม้แม่อย่างนั้นแม่กายที่เราที่เราเพิจารณาว่าเป็นป่าช้าก้าวนัน แม้กายอย่างนั้นก็มีอยู่ในตัวเราลนะ่ะมายความอย่างไงนะอฮะไปเกี่ยวกับประมัดอะไรนะมีเยอะแยะเลยครับน่าสนใจนะพิจนาปลาเช่าก้าเนี่ยนะถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเนี่ยเนี่ยที่ให้เราเห็นอะไรเยอะแยะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเห็นธาตุเหมือนกั น, เ, นเห็นกระดูกเห็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ถึงร่างกายอันนี้ก็ ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาวัตถุที่เราเห็นเนี่ยนะก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้ได้หมดเลยวัตถุที่เราเคยเห็นเคยได้ยินก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้ได้หมดแล้วคือสําคัญที่ที่อยากจะกล่าวนในยนครั้งว่าเราไม่ค่อยแข่งครัดในพระคุณพระรัตนตรยัยคือคือที่ที่เป็นลักษณะเนี่ยนะแต่ว่าคนเสื่อมจากพระรัตนตรัยนี่มากจริง ซึ่งซึ่งเป็นยุคที่ที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะทั้งเราทั้งเขาอ่ะนะก็น่าเป็นห่วงกันทุกคนนะนะมันกออ็สมควรแก่เวลานั้นนะ